5ห้านะเป็นเปนจดีห้นะวิจาณ์นี่ยเาเขาเาห้าปอห้ีเียจัน์ให้ซ้ำชั้นได้ไม่ใช่จะซ้ำไม่ได้ไหนซ้ำชาไม่ซ้ำชา้นซ้ำชาแล้วถ้าถ้าทํา้ชาจยังอยู่งนี้ไก่อยู่รอบ เดเหมือนเดิมมชาตาที่แล้วนะ้าก็คงหกันถ้าถ้าถ้ไมก้าวหน้ามันกนะ็มันก็เดือดเท่าเดิมมันก็นกแัก็ก็ถนะ อ, อยลงมาแต่คนไมก้าหน้ามัทางเท้าเดิมมาเจอ้ารู้ทีศาสนาแล้วมาเจอพระูบาจารย์ต่าง ก็ไม่เสียชาติเกิดมาไม่ขาดทุน้าไม่เกิดมาคนรี่กำไรอย่างไรก็เอาสวรรค์ยังไ้ก็ยังดีสวรรก็ทายสินเป็นเหตุปัจจัยทำดุลให้ทางแล้วก็รักษาสินท่าจะได้ไปสวรร ถ้าสมาธิน่าสมาธิเลยก็จะไปในจังโผลนถ้าจะเลยไม่ปรัชนาพิจารณาตายลักพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาลองได้ไม่รู้สึกอะไรกับการเกิดการตายนี่ เครื่อเดีเสมมันเครื่องัไม่รอเวลา่ต้นมาเลก็ไปนเครื่องเหมือนเครื่องงเครยิงก่อจะขึ้นได้ต้องย เรลาทางเทศของครูบอาจารย์ตอนตอ น, น, นก็ไปอย่างนี้ยใเขาค่อยๆไปก่อนคือยังไม่ร้อนยังไม่มีประเด็นอะไรที่จะเข้าไปมันก็เลยค่อยๆเหมือนกัว่าพูดไปอาประเด็นไปด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะจับประเด็นได้จับเรื่ได้นก็พู ด, ดเรื่องอะไรัน เราเยียเยมเราต้องเจ็บต้งสิบวันถึงจะเอาถอดไม้ออกพอถอดไม้อีกวันสองวันก็ก็เดินดื่ออกบาตอนนี้อนี้อกวินาทีไหนตอนนี้ก่อขึ้นวันที่ห้าวันที่สิบห้าเขาจะเอาไม้ออกวันที่สิบเจ็ดเขาก็ทำให้เราได้เห็นอะไร เวลามันจะเป็นอะไรมันคลุกคลับเป็นเวลากว่ามันจะหางายเป็นง่ายแต่หา ย, ยากรางกายมันปลูกตงรงไม้กว่าจะปลูกตงรงไม้ได้สักต้นนี้ใช้เวลานานเวลาจะตัดมันทีคเดียวการทำงานนี่มันง่ายกว่าการสร้างสรรค์ มีอย่างเดียวที่ที่ที่ที่ทสร้างยากใช้เลลานานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ทำลายยาทำลายไม่ได้ก็คือมรรคผลยิ่ผ่านมีอย่างเดียวนที่พอได้แล้วไม่มีไม่มีมม้ใครจะมาทำลายได้ร่างกายต้องให้เรา ด, ะะดูแลรักษายู่เอย่าไไร ท่ายกายเราดูแลให้ขนาดไหนก็ตามพออะไรมันจะเกิดขึ้นทุกท่านก็พังลรักกันาเูงามาเป็นเวลาอันยาวนานงเวลาจะไไปหรือความสพันธ์ทไมตีก็เหมือนกันถรักันมาดูแผลดขอเรื่องราวในทุกอย่างเดียวเกิดขึ้นก็พังเลย เลิกกันลยวำพูดกันทีพูดเพียงคำเดียวก็สามารถที่จะทาลายทมพังทำลายตัวที่สร้างกันไว้มาเนเวลาอันยาวนานให้ขาดขาดไปได้ทางโลกมันก็จอย่างนี้แต่ทางทางนี้เราสร้างอะไรไว้ได้แล้วก็จะ จะอยู่กับเราเอจะไม่มีทางที่จะสิ้นหมดไปไนดะ้ก็ทางธรรมนี้ก็ดีตรงนี้ดีตรงที่ว่าได้แล้วก็จะได้ไปตลอดได้เกิดก็ได้ตลอ ด, ไ, ดไม่ไ ม, <ừ. S 1> ม, มีวันสื่อเชนก็ได้เจอได้บ้างนะมันก็มันก็จะไม่มีวันที่จะ หมดไปนาบางนี้จะไ ม, ไม่กลับมาเป็นปุทุชนต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมีสงคารามมีเ ร, รือตัดเครื่องเรื่องีดอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ก็จะไม่ทำให้สภาพโซยาราบั น, นกลับมาเป็นปุทุชนแล้วพอขอยับขึ้นไปเป็นทัศนกิรญาคางเีย ก็าไม่กลับมาเป็นพระสวัดา์ธรรมนี่เขึ้นไปเป็นพระอ น, นาคามีก็ไม่กลับมาเป็นพระสกิรยาธรรมเราเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่กลับมาเป็นพระอนาคามีมียยแต่ขึ้นไปอย่างเดียวพึ้นแล้วก็ไม่ไม่ลดลงมาไม่ตกลงมาแต่ถ้าเป็นทางสวร่า์หรือพรหมโลก นี่ก็ยังมีการขึ้นมีการลงได้เช่นมื่อที่พูดว่าถ้าเราทำบุญให้ทานนกคาสีเรากจะด้านไปสวอแต่มันจะหมดได้คือบุญที่ทำาทานรักสีนี้เป็นเหมือนน้ำมันที่เราเติมในรถเมื่อใช้ไปเรื่อยๆมันก็ มันหมดหมดดุลของทานกับของสียงที่ ก, ก็จะกลับลงมาทํามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างใหม่ต้องมาทำดีหม่ต้องรักษาสีใหม่พบของมนุษย์นี้เป็นเป็นที่สร้างเป็นที่เติมน้ำมันอะไรต่างๆถ้าเติมน้ำมันดีก็ ไฟดีเตน้ำมันไม่ดีก็ต่ำไม่ดีแห้เราท็มาทำบนมาคาถูงใหม่พอสัปายไปแล้วก็กลับขึ้นไปสว่าใหม่ถ้านั่งสมาธิด้วยเราก็ขึ้นไปที่ช่คนพอหมดหมดหมดกำลังของสมาธิาออก็จะเพื่อนลงมาจงเทศถ้าไม่มี ถ้าหมดกำลังของของทานของสีก็จะกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหน่เช็นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรุ่นท่านก็ได้ชานท่านรักษาศสียท่านให้ทานมาคือทั้งออกบุติท่านมีทรัพ์สมบัติอะไรท่านก็สละให้ไปหมดแล้วก็รักษาศสียบบำเพ็ญ สมาธิภาวนาสมถภาวนาท่านรู้ท่านั้นเองสมัยนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้งงาเสงมาตัศรู้ไม่มีใครรู้ถึงอิปัตสนาภาวนารู้เพียงสมถภาวนาก็รื่ไรน้ำได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงตัสรู้ก็จะได้เพียงแค่สมถภาวนา เนื่องจากพ่อองค์มีมีพระปัญญาที่แก่ก็เมื่อไม่มีท า, ารเจ้ที่จะสอนเรื่องนาให้แก่พระองค์พระองค์ก็เลยต้องศึกษาศึกษาเองก็เลยได้ได้พบกับมรรคผลนิพพานก็ได้มรรคผลนิพพานแล้วก็เก็บก็ไม่ต้องกลับลงมาใหม่ไม่ต้องกลับลงมาสูื สวรรชัน้นผมชั้นเทพหรือชั้นมนุษถ้าเขาถึงพระนิพพา์แลนะ้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาเจอน้ำมันเหมือนเจอโหรอดที่เขาส่งออกไปที่ให้เขาไปเป็นสำรวจในอาวากาศตรงนี้เมื่อออกพ้นจากแรงดึงดูดของโลกแล้วเขาก็ไม่กลับมา เข้าไปได้ด้วยพลังของเขาเองนี่จะเป็นเรื่องของการปฏริบัตภารกิจทางศาสนากับผลต่งางที่เราจะได้รับกันถ้าเราไม่ได้เข้าสู่ขั้นของมรรคผลนิพพานเราก็ยังจะต้องกลับมา เลยมังเพนให่การมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทำจนให้ ท, หทหายใหม่รักษาผีวใหม่นั่งสมาธิใหม่ถ้าทําได้เพียงแค่าสาอย่างก็จะกลับไปกลับมา อ, อยู่กับเรื่องเหล่านี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้สดแต่ถ้าได้ถ้ า, าดไปสู่ขั้นอริมักอริยะผลเพิ่มไปได้เสือเสือนาตะพุท มาร์คโลนาปฏิทินก็จะเหลือเพียงเจ็ชาติเป็นอย่างหน้าที่จะกลับมาเติมน้มันกลับมาเติมน้หมันเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจิตมาหาศาลได้ถ้าได้ท่านพระสติลางคานี้ก็จะเหลือเพียงชาติเดียวที่ร่างกายมาเติมน้ำมันถ้าเป็นได้ท่านพระอานาคานี้ ก็ไม่ต้องกามาจากน้ำมันมีน้ามันพอที่จะสามารถทำให้เฉื่อยได้ในขั้นของโทมโลจิตของพระอนาคามีนี้จะอยู่ในในระดับขั้นของโทมิโลแต่โทมโลนีาา่างจากโผงของผู้ที่ได้สมาธิโผงที่ได้สมาธินี้มนไม่ขาววอนม่นเสื่อได้ ธรรมโลกของพระอนาคามีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันเป็นปัญญาได้ด้วยปัญญาต่างๆนี้แล้วพอมาดูถึงพระอรหันต์เห็นพระ น, นิพพานก็ไม่ต้องกลับมาแต่อันนั้นมันเห็นติมานตาต่างแล้นี่คือ ผลที่จะได้รับจากการปฏิบาทาทัติภารกิจของของศาสนาที่พวกเรากําลังปฏิบัติกันอยู่คีดว่าเราจะปฏิบัติกันได้มากน้อยเพียงไรถ้าปฏิบัติได้มากก็จะได้ผลมากถ้าปฏิบัติได้น้อยก็จะได้ผล น, น้อย ไม่มีใครสามารถที่จะมาให้ใคะแนนเราได้เราเป็นคนที่ให้คะแนนเราเองไม่เหมือนธรรดาเราเรีนหนังสือถึ้นางทีเราทําข้อสอบไม่ค่อยดีเราก็ยังอาจจะได้คะแนนเพิ่มคะแนนสงสารได้าจากอาจารย์เห็นว่าเราเป็นคนดีเห็นแล้วว่าขยันแต่ปัญญาทีกก็ยังให้ ให้ให้คะแนนเพิ่มเพื่อเป็นการให้กําลังใจแต่การปฏิบัตินี้ไม่มีาการให้คะแนนแบบนี้ทำเท่าไหร่ก็ได้ทํานั้นรับประทานอาหารรับประทานเท่าไหร่ก็ได้ทนั้นรับประทานมาก็ได้มากรับประทานน้อยก็ได้น้อยดังนั้นเราต้องพยายาม ให้มากและการที่จะทำให้มากนี้เราก็ต้องสร้างคุณธรรมที่สำคัญึ้่มาสีประการนี้กันคืออิจฉาสีอิจฉาสีนี้เป็นคุณธรรมที่จะผักดันให้เราได้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไปได้อย่างรวดเร็ว ข้แรกเรียกว่าสัมทะคือความยินดีความพอใจข้อที่สองเรีว่าวบริยะความมีสาหาเ พ, พียงความพยายมหนักเพียงข้อที่สามเรียกว่ากิตตะความจบจบข้อที่สี่นิมังสาแต่ว่าการค่ายควรด้วยการคิดถึง เรื่องที่เรากำลังทำอยู่เรื่องที่เราต้องทำมีลมที่ประการถ้าเรามีคุณธารมนั่งสี่ประการนี้แล้วก็เหมือนกับเรือใบที่มีลมมีล ม, มพัดมันจะพัดให้เราให้เรือวิ่งไปได้ไม่หยุดแต่ถ้าไม่มีคุณธานนี้ก็เหมือนกับไม่มีลมพัดเรือใบ เลา ไ, ไม่มีลัดก็ต้องแจว ใ, ใช้ใพายแจ่ใชายมันก็จะไปไ้วยถึงไหนังนั้นเราต้องพยายามสร้างคุณธรรม น, น, น, น, นสะสีป่ประการประการข้อที่หนก็สาคัญที่สุดก็คือการความเย็นดีทางใจเพื่จะปฏิยยบั ภารกิจที่เราต้องทำก็ต้องดูโฆษณาเหมือนกับเวลาที่เราเห็นโฆษณาของสินค้าชนิดใดชนิดนึ่งตอต้นเราไม่ เ, เห็นโฆษณาเราก็ไม่รู้คุณภาพของของสินค้าที่เขาโฆษณาแต่พอได้เห็นโฆษณาแล้วก็ เกิดความชอบขึ้นมาได้อยากได้ขึ้นมาพออยากได้นะตรนี้วิริยะก็ตามเล่ถ้ามีโทรศัพ์ก็อาจจะยกหูโทรไปทาหราคาจองสินค้าเลยแล้วจก็จดจ่อกับการที่จะไปซื้อสินค้ากินั้ น, น คิดแต่เรื่องสินค้าชนิดนึรู้นางสาวกระชึกอีกเรื่องสินค้าชนิด น, ในึงเราใช้ได้ถึดมันก็จะได้สังเกตเด็อย่างถ้าเราพอมีสคำตอบกับเรื่องอะไรแล้วเรามาักจะมีวิริยะมีจิตตะมีรู้นางสาวแ ค, คเ่เห็นโฆษณาให้ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวประเทศนัเที่ยวประเทศนี้ พอเห็นแล้วก็ถูกอกถูกใจเกิดฉันทะขึ้นมา้วพอฉันทะก็โทจองโทจองโทจองงินจ่ายเงนให้เปียอะไรเปลียนทุกสิงทุกอย่างนะตอนรอเวลาขึ้นเครื่องทถ้ามมีวิธบาสิกก็ไม่มีทางไปได้เห็นโฆษณาแล้วก็รู้สกเฉเฉยเยไม่ยินดีไม่ยินร้า ถารนดีไมเรีนยนร้ายก็ไม่เกิดอาการที่อยากจะไปติดต่อไปทาําเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเดินทางไปก็เพื่อนอยู่กับโฆษณาเหมือนกันถ้าโฆษณาเราดูแล้วมันไม่ขี้งโชไม่น่าไม่ไม่น่าไป่น่าไก็ไม่อยากจะไปนั่นก้นการทําโฆษณานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ บริษัทโฆษณาจึง เ, เป็นบริษัทที่มีความสําคัญกับผู้ผลิตสินค้าเวลามีสินค้าแล้วถ้าไม่มีการโฆษณาไม่มีการตลาดที่ดีสินค้าดีขนาดไหนบางทีก็ขายไม่ออกเพราะคนไม่รู้คุณค่าของสินค้าแต่ถ้ามีบริษัทโฆษณาเก่งๆที่รู้จักวิธีโฆษณา ล่อใจคนดูพอทาําโฆษณาซักสินค้าก็ขายดิบขายดีเทียน้ำเทียท่านื่องสินสินแรกสำหรับทางธรามะ ก, ก็ะทารโฆษณาก็ต้องมีคนที่รู้จากโฆษณาหรือคนที่โฆษณาสินค้านี้ก็ต้องเป็นคนที่ที่รู้จริง นี่คุณค่าของสินค้านี่จริงๆต้องได้สัมผัสกับสินค้านี้มแล้วเพ่นโฆษณาเรื่องมรรคผลผนิพพานผู้ที่จะโฆษณาได้ดีก็ต้องเป็นผู้ที่ได้บรลุมรรคผลผ น, นิพพานมาแล้วนี่ประการแรกประการที่สองก็ดออีที่ความสามารถของผู้ที่จะเอาสินค้านี้มา มามาโฆษณ า, าถ้าเป็นคนพูดเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่สามารถหวานร้องด้วยอุบายวิธีต่างๆทำให้คนดูคนฟังโฆษน า, าเห็นว่าเกิดความเรื่องสายศรัทธาอยากจะได้นักพรตาลาบางท่านถึงแม้ว่าจะบรรลุนักพรตุลา ท่านก็ไม่มีความสามารถในในด้านการโฆษณ า, า, าในการพูดหวานน้อมจิตใจของคนบางทีก็ท่านก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนเกิดเกิดอิทธิบาตรเกิดฉันทะเกิดยุระยะเวลาที่เราสามารถบางที่เราคงจะทราบกันว่าครูบาอาจารย์บางลูกบางทรันท่านก็ไปรูกแต่ ท่าไ ม, ไ ม, ไไ ม, กามา่ก็พูดแล้วู่แล้วไม่ก็ได้ทมให้คนเกิดเกิดอธิบาตรเกิดขึ้นมาแต่บางรูปที่ท่านจะพูดแล้ ว, ล ว, วลก็ทาให้นเกิดอ่ที่บาทเกิขึ้นมาหรือม้แต่บางรูปที่ไม้จะบลุแต่ท่านพูดเก่งท่านก็ยังสามารถทาให้คงเกิดอิที่บาเกิดขึ้มนมยได้ แต่ว่าท่านนอกจะพูดไม่ตรงกับความจริงก็จะเป็นการเสียหายเือจะพาให้คนไปหลงทางด้คือไม่รู้จริงเห็นจริงแต่พูดเก่งโฆษณาเก่งคนฟังฟังแล้วก็เต็ดออกติดใจปฏิบัติตามแต่ปฏิบัติแบบทุกๆิ อย่นี้ก็จะเกิดความเสียหายตามมาเสียแต่ถ้ารู้จริงเห็นจริงบรรลุแล้วแต่พูดไม่เข้มแข็ง mm. ก็ยังไม่เสียหายแต่พูดแต่ตั้งพูดไม่ยาวพูดไม่กว้างอย่างท้าอาจารสาวคืเป็นท้าอาจารของท้าอาจารย์นั้นงานประวัติของท่านท่านก็พูดไม่แข็ง มันก็พูดมนิ้งไมยาวไมกว้างขวางให้พูดได้แต่ถ้าสั่นถึงขนาดที่ปัญญาทานถึงภาวนาทำไปหน้ า, นาแล้วก็เดาถึงเองให้เขาพูดได้แค่นั้นคนกลางก็ถ้าไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์คำคมะของแต่ละคำที่ท่านพูดนี้ ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เหมือนกับแม่ที่ให้อาหารลูกถ้าแม่เอาเนื้อนมาให้ลูกกินทั้งทิ้นลูกยังไม่มีฟันเคี้ยวไม่ได้เคี้ย ก, ก็จะกินไม่ได้แต่ถ้าแม่เอามาตัดเอามาบดให้มันละเอียดแล้วก็ให้ลูก รับประทานโดยที่ไม่ต้องเคี่ลูกก็จะรับประทานได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดที่ท่านเก็นเนี่้มีวิธีทำอาหารได้แก่ลูกของท่านอย่ที่ว่าลูกของท่านต้ออยู่ในระดับไหนถ้าเป็นเด็จแรกไม่มีปัญัก็จะบดอาหารได้ละเอี ถ้าเป็นบด็กตมีปัญญาท่านก็ให้ใหรับประทานทั้งทั้งชิ้นได้อย่างพระพุทธเจา้าธรรมะที่ทรงสอนแก่บุคคลต่างๆนั้นมีความแตกต่างกันแต่เป็นธรรมะอันเดียวกันอยู่อยู่ที่วิธีการสอนบางครั้งพระองค์ก็ทรงตัดเพียงสั้นๆทำสองครัก็บรรลุดได้ บางครั้งก็ต้องพูดยาต้องขยายความเพราะคนฟังนี้ฐานะจิตของคนฟังหรือฐานะสติปัญญาของคนฟังนี้มีอยู่นะระดับระดับเด็กอ่อนก็มีระดับผู้ใหญ่ก็มีดังนั้นาการแสดงทำให้คนฟังแต่ละกลุ่มนหนกือแต่ละระดับจะไม่เหมือนกัน เนี่ยก็อยู่ที่ความสามารถของผู้แสดงก็ต้องรู้ว่าคนฟังนั้นอยู่ในระดับไหนถ้าให้ผิดกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าให้ให้เนื้อทั้งดุ่มแก่เด็กรับประทานเด็กอ่อนรับประทานก็รับประทานได้ถ้าถ้าให้แบบละเอียดให้ผู้ใหญ่รับประทานก็ไม่อร่อยก็ไม่อยากจะรับประทาน บุคคลที่สําคัญที่สุดต่อทางที่จะทําให้เราเกิดฐานะก็คือผู้สแสดงธรรมนี้ถ้าได้ผู้สแสดงธรรมที่เก่งที่ฉลาดเกีฐานะของปฏิปัญญาของเรารแล้วแสดงให้ถูกกฎระเบียบของเราถูกกับภูมิกิตภูมิธรรมของเราเราก็จะได้รับไปรยชน จะทำให้เราเกิดฉันทะตื่นเกิดความยินดีพิจารณาทันทีเราเกิดฉันทะความยินดีนะความอุตสาหะความท้าที่ก็จะเกิดขึ้นตามมาจิตจะจดจ่ อ, จจอใจก็จะจดจ่อกับเรื่องการปฏิบัติทันทีมีน้ำตาใจก็จะคิดแต่เรื่องการปฏิบัติ ครว่าจดอเนี่คือจะไม่ยอมไปทํางานอย่างอื่นเคยทําอะไรอย่างนั้นออย่างนี้มันก็จะพึ่งจะเอาจะจดจอ่ออยู่การปฏิบัติใจเมื่อก่อนเจะคิดเรื่องเรื่องนี้คิดไปทำนู่นทำนี่ไปอะไรต่างๆก็จะหยุดจะคิดอยู่กับเรื่องปฏิบัติอย่างเดีว่วิง่งวิ่งหลังจากที่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีเรื่องภาวนา ถ้าเราคิดเกีเรื่องทานเรื่องศีลภาวนาเราก็จะทำแต่เรื่องทานเรื่องศีลภาวนาแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มเราก็จะไปเที่ยวไปกินไปดืนมแต่คนที่มีสันต์สัมมาสติฐานนะจะไม่คิดถึงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องดื่มจะคิดแต่เรื่องเรื่องปฏิบัติทางศีลภาวนานี่คือ สัจจัยสำคัญสี่ประการนี้คับคืันทะวิริยะจิตตะวมังสาถ้ามีคุณธรรมทั้งส่ประการนี้แล้วมันก็จะทำให้เราสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นมรผลนิพพานเป็นการไปเที่ยวตาม สถานที่นีน้สถานที่นี้นนเป็นการสร้างครอบครัวสร้างสามีสร้างภรรยามันก็เกิดจากการมีอิทธิบาตรสิ่งนี้ทำนี้หรือแม้กระทั่งการไปนรกการไปอบายมันก็เกิดจากอิทธิบาทรสิ่งเดียวกันคนที่มีไปนรกไปอบายเขาก็จะมีใจชอบเรื่องอบายอย่างนี้น เขาก็จะเดิงสุรายาเมาเล่นการสนันเที่ยวกลางคืนครบทุ่มเที่ยวสนิทชอบความเกลียดคาราสเขาก็จะมีฐานะไปในทางนี้ความทาคภูมิของเขาก็จะไปในทางนี้ภาคพียงไปบ่อนภาคภูมนไปใบบาร์หา uh huh. ความสุเจ็บใจก็ตรวจจออยู่กับเรื่องเดินสุร า, าเรื่องเล่นการสนันเรื่องการเที่ยว ใจก็คิดถึงเรื่องการดื่มสุราเรื่องการเที่ยวเรื่องการเล่นการพนันเพื่อทํากับเรื่องราวเหล่านี้ผลมันก็ต้องเป็นยังไงเพราะเมื่อมันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอวบอายนุ่งรำมันก็ต้องไปทํำบาปทาการมต่อไปเพราะมันจะต้องหาเงินมามาสนับสนุน ถ้าเราทํางานทําการเป็นปกติเราก็จะไม่มีเวลาไปเที่ยวเป็นเดือนตุลาแต่ถ้าเราไปเที่ยวเป็นเดือนตุลาเราก็จะไม่มีเวลาไปทํางานสมาธิเราก็ต้องหามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องผิดถินผิดทรรมเป็นวิชาที่ทําผิดถินนันกทรัพย์ผลิตผิดตัวเรืคลาสต่างๆที่มี รวมนี่ก็เป็นการสร้างองบายขึ้นมาสร้างภูมิของเดรัจฉานของไปของนรกขึ้นมาก็เป็นจากฐานทะวิริยะนี่เอันนี้การโฆษนามันก็มากไปในทางนี้ด้วยลองสังเกต ด, เดูวชวนให้คนไปนรกกันยังไงมีโฆษณาทุรายา ม, มาโฆษนาให้ไปเที่ยวหาความสดใส อย่บันเทิงต่างๆสถานที่ต่างๆ <S <S มีท่าไมโครสัญญาก็มีคนชวนกันเยอะคนที่ชอบไปทางนี้ก็มีมากกว่าคนที่ชอบไปวัดกันคนที่จะชวนกันไปวัด น, นี้นีน้อยเป็นเหมือนเขามีทั้งสองเขาตัวหนึ่งเลยสองเขาในคนที่ชวนให้ไปทางระบายมุขนี้เป็นเหมือนอวัว มีเต็มไปหมดไปไหนก็มีแต่นคนชวนให้ไปดืนเล้าให้ไปเที่ยวให้เป เ, เื่นการสนันให้ไปทำบาปทำกรรมนีน่คือคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายเชื่อเชื่อง่ายก็จะถูกชดยาก ง, งา่ายแต่คนที่มีหลักมีเกณฑ์ รู้เียุรู้ถึงรู้ดีรู้ชั่วก็จะก็จ ะ, จ ะ, จะปายาจะถูกชวไปายาคนที่ได้สร้างหลักสร้างเกณฑ์มาหลายพบหลายชาติแล้วจะไม่ไปทางชั่วได้งา่ายแต่คนที่ไม่อยู่หลักมีเกณฑ์ในความผิดถึงดีชั่วก็จะไปไปได้งา่าย ดันั้นเราก็ต้องพยายามสร้างหลักสร้างเตืยนที่ดีคือให้มีคุณธรรมที่ดีภายในใจมีทานมีสิงเป็นหลักให้มีความเชื่อกับสิกธิ์แล้วก็มีความเสียสละมีการให้ไม่เหวงีงมีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้ตัวเองได้ เรจะเชื่อหรือผู้อืน่นได้ก็ให้ไปจะทําให้าจเราเดินทางแน่ต่างกันนะจะทําให้เราไม่ชอบเดือดเดือดผู้อืน่นจะให้เรามีศีลถ้าเรามีสองอย่างนี้แล้วอย่างไแล้วก็ปลอดภัยจากการที่จะตั้งใจเกิดในบ้านก็จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพสลับกันไป จนกว่าจะได้ได้ภาวนานได้เจริญวิปัสสนาได้เจริญวิปัสสนาก็จะได้บรรลุมรรคผนิพพานตามขั้นต่างๆไอย่างแน่เลยเพรามีคนที่ปฏิบัติบรรลุกันเีอะอันมาในสมัยพระพุทธการคนนั้นก็บรรลุเป็นโสดาบันคนี้ก็บรรลุเป็นสัจจญาคามีคนนั้นก็เป็นอนาตตามีคนนั้นก็เป็น พระอรหันต์ทำง่ายเลยแกเพราะเขาได้ได้สื่อโฆษณาที่ดีนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์สาวกจนปรากฏในผู้บรรลุมรรคผนิพพานกันเป็นจนวนมากสมัยนี้มีผู้โฆษณามรรคผลนิพพานน้อแต่ก็ยังมีอยู่ คนทลายก็ก็หาเจอคนไม่ทลายก็หาไม่เจอคนที่หาเจอแล้วก็รู้มักคผลมิานกันกมน็มีนั่งแต่งนที่นั่งอยู่นี้ก็อาจจะมีก็ได้แต่ว่าไ ม, ไม่ประกาศให้ผู้รู้กันนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องภายในใจิตภานใจของแต่ละคน พูดไ่ก็เป็นแบบสองคนคนฟังที่เขาไม่ชอบที่แน่เราเขาก็อาจจะหาว่าเราอุดเตยโอวดก็ะด้างพูดก็อาจจะเป็นภัยอันตรายการที่จะพูดถึงคนนี้แต่สองตรงนั้นต้องระมาาาัดระวังเวลาพูดจะต้องดูว่าคนที่เราพูดนั้นเขาเป็นใครเขามีจิตใจอย่างไร ถ้าไม่แน่ใจเลยว่าถ้าไม่มีเหตุของที่จะพูดก้าไม่ควรที่จะพูดจะดีกว่า น, นี้ถ้าจะพูดก็ขอให้พูดเป็นเชิงเป็นเชิวุทยาการไปพูดถึงพูดถึงของของ ท, งท่านนั้นไปกนะารมนุษย์เป็นพระสุวรามบบนี้จะต้องทำอะไรบ้าง อย่างนี้ก็ควรไ้คนฟังก็รับแต่เขาแต่ทุก็์ชาวบ้านจะว่าเราบรรลุก็ได้ไม่บรรลุก็ได้แต่เรื่องความคิดของเขาเนี่ยไม่สาคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราบรรลุหรือไม่บรรลุนั้นเนี่ยถ้าเราบรรลุเขาไม่คิดว่าเราบรรลุเขาไม่เห็นจะทำให้การบรรลของเรามันหายไปได้หรือถ้าเกิดเ้าคิดว่าเราบรรลุแล้วเราไม่บรรลุมันก็ไม่ได้ทำให้เราบรรลุขึ้นมาเท่า้ ทาการจะไปบอกคนอื่นว่าเราบรรลุั่นไม่บรรลยน่มันไม่สำคัญไม่สำคัญนอกจากมันมีเหตุผลบางประการที่เหมาะสมกับการกับเวลาก็อาจจะพูดคู่บ้านใจเราท่านก็ไม่ได้มาพูดแบบถุงสี่ถุงห้าท่านก็เห็นว่าเป็นเวลายาวยาเวลาที่ท่านพูดท่านก็พูดกับคนในกลุ่ม พูดไหคนที่ที่สนใจต่อการปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้พูดแบบว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอนี้ก็เพียงแต่แสดงเหตุแสดงของเหตุก็คือการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่ได้ติดปายว่พาพอปฏิบัติยอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ก็เป็นพระขั้นนั้นเป็นพระขนนี้ท่านก็ไม่ได้พูด สรเ พ, พวปฏิบัติอย่างนี้บ้าก็จะได้ของอย่งนนพิจรณาการพิจ า, ารณาเกิดแก่เจ็บตายากระทั่งปล่อยวางความยึดติดในความเป็นความตายของร่างกายได้ใจก็จะหายโก้หายจากความโก้เป็นตัวความตายบ้ดูดได้น เลยพิจารณาอริออาภะเจอมเห็นว่าง่างการนี้ไม่สวยไม่ ง, งานเป็นปฏิกูลเป็นอริยภพเป็นปฏิกูลก็มีแต่สิ่งโสโกสรตเป็นตันเป็นอริยภะก็เป็นสิ่งที่น่าขยะกขยันถูกข่อนอยู่ภายใต้ผีหนึ่งเจ้ากระทั่งไม่มียาลงเหลืออยู่กับเรื่องของการเกิดการอันนี้ก็พูดได้พบ ถ้าจะลาสุภาษณ์แกนที่มันก็จะต้องเกิดเหมืนต้อัขึ้นมาการมาละท้ามันเกิดขึ้นไม่ได้เมันเกิดขึ้นมามันก็แสดงมันก็ทำลายเราไม่ได้เหมือนไฟถ้าเรามีที่ดับไฟกับมือไฟมันจะลุกตรงไหนเมื่อไหร่แล้วก็ฉีดปักเดียวมันก็ดับไปทันทีการมาละท้าก็เป็นเหมือนไฟในใจเราส่วนสุภาษณ์กรรมฐานปฏิปุ้ยกรรมฐานนี้ก็เป็นเหมือนกัน ที่ดับไฟเราถืออยู่ติดกำมือเรานไฟตรงไหนปักจะขีดไฟตรงไหนลุกขึ้นมาจะขีดขีดไฟมันก็ไม่มีทางที่จะยกรามได้อันนี้ปฏิบัติมันจะเห็นภายในใจเห็นชัดๆเลยเรื่องของกายก็มีแค่นี้แหละพิจารณาให้เราเห็นว่ามันต้องตายแน่ๆมันเป็นเพลิงดินน้ําลมใจไม่ใช่ตัวเราสองหลัก แ้วก็เป็โยงขึ้นในที่มันจะถูกทําลายไปอยู่ในป่าไปอยู่ในที่มันน่าน่า ก, กลัวแล้วก็ดับไปเลยเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ปองไปเลยครับนะกลัวตายนีนก็ต้องตายยังไงยังไงมันก็ต้องตายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายแ่พยายามตายแล้วความกลัวตายก็จะหาตไปทีนี้ก็รู้แล้วว่าอ๋อเราไม่กลัวแล้ว แ ต, ตแต่เราก็รู้ว่าเราต้องตายแต่เรารู้ว่าเมื่อถึงเวลามันจะตายเราไม่กลัวแล้วเวลาเราอยู่เราก็อยู่อย่างสงบอย่างสบายไม่มีความกลัวอยู่ในจิตในใจตลอทําไม่มีความอยากที่จะอยู่ไปนานๆเมื่อยังเมื่อถึงเวลาจะตายก็ยอมตายแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาจะตายก็ไม่ไม่ยอมตา ย, ยากันก็อยู่ไป แต่อยู่ตามความเป็นจริงไม่ได้อยู่ตามความอยากบางคนเวลาอยู่อยากจะตายก็นื่ก็ทุกข์ก็ต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนที่ฆ่าตัวตายนี้ไม่ใช่เป็นคนบรรลุนะไม่ได้เป็นคนที่ไม่กลัวตายคนที่ฆ่าตัวตายก็ปวความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการมีชีวิตอยู่ ไม่ได้แสดงว่าเขามรรลุนะคนที่ฆ่าเป็นตายยงกลัวตายอยู่แต่ความกลัวความทุกขามาในขณะที่อยู่นี้มันมีมากกว่าเช่เป็นโรคอันโรคภัยอย่างคนสมัยนี้นขามีโรคที่มันรักษาไม่หา ย, ย, ายแต่ยังอยู่อย่างทุกขารามานไปก็ไม่อยากจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาไม่กลัวตายเขากลัวตายเขาอยากจะอยู่ แต่ว่าเวลาอยู่มันทุกข์ทรมาร์เขาก็เลยเรียกว่าหนีความทุกข์ทรม า, าร์นี้ด้วยการฆ่าตัวตายเขาอยากจะหนีจากความทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวตายถ้าเขาไม่มีโลกใครแบบนี้ฐานพ่อจะฆ่าตัวตายเขาก็ไม่ฆ่าเขายังอยากจะอยู่พร า, าะนี้สุขภาพสมิงแข็งแรงนี่ถ้าอยู่ได้ถึงสองรอยปีก็อยากจะอยู่ แต่ถ้ามีอายุแค่สามสิบปีแล้วมีโรคภัยที่ขาแมงซ้อนต้องทุกขทรมารยอยู่ทุกวันแล้วไม่มีโอกาสที่จะหายเขาก็ไม่อยากเียอีกท่นี้มันก็เป็นกีเลอีกอย่างเนึ่งแต่นี่ภาวะปัญหาแต่คนที่พร้อมจะตายเมื่อถึงเวลาตายคนนั่นแหละเป็นคนที่บรรลุได้แต่ยังไม่ถึงเวลาจะตายเขาก็ไม่ตาเขาว่ายืนของเขาไปตาย การเรื่องของร่างกายร่างกายอยู่ได้ก็ให้เขาอยู่ต่ร่างกายอยู่ไม่ได้ก็ให้เขาตายไปเพราะเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องการอยู่และการตายแต่ถ้าเขายังไม่สามารถที่จะรับกับความทุกข์ทรมานของโรคภายไข้เจ็บได้<ๆ>เราะก็อาจจะท่าตัวตายก็ได้ก็ อ, อ, อ, อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเขาสามารถผ่าน ทำทุกเจ็บปวดของร่างกายได้คือ่างการจะเจ็บปวดขนาดไหนใจเขาไม่กระทบกระเทือ น, นถึงไม้เขาจะมีโรคภัยที่ทําให้เขาจะต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานไปก็จะเป็นการทุกข์ทรมานเฉพาะส่วนของร่างกายท่านั้แต่ใจของเขาก็จะสงบ น, นิ่นี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เราผ่านทุกขเวทนาไปได้นะ เวลาเรานั่งแล้วร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันเกิดไปให้มันให้มันเจ็บลงไปจนกระทั่งมันหมดกำลังของมันเองให้มันหยุดไปเองถ้าใจเราปล่อยมันได้เราจะอยู่กับมันได้เราเหมือนกับตอนนี้เสียงที่มันดังอยู่เราอยู่กับมันได้เพราะเราปล่อยวางเสียงเราไม่ได้ไปมีความรังเกียจ ความนำทา ง, งใจกับเสียงนะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบเรียบนะพอมีเสียงอะไรนี่แรงหน่อยนี่เรารับไม่ได้อย่างนี้เราก็จะทนกับเสียงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราทําใจให้เป็นกลางเป็นอเบี่ยงขาางเคยต่อเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นความเจ็บของร่างกายร่างกายเจ็บก็ปล่อยร่างกายเจ็บไปเราก็รับรู้ตา่ตางความเจ็บของเขา เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรามันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ปัญหาของพวกเราก็คือเรายังปล่อยวางความเจ็บไม่ได้พอความเจ็บเกิดขึ้นนี่เราต้องจัดการกับเขาทันทีเราไม่ปล่อยให้เขาออกมาเพ่นพ่านเราต้องไล่เขาไปทันทีด้วยการเปลี่ยนอิเลียร์ด้วยการหายาแก้ปวดมาแล้วกระทัาง ในการหาหาหมอหาอยู่ขายยาการที่จะอยู่กับมันไปเหมัอนจะเป็ น, นยังไงมันเป็นไปทำการให้สงบให้ปล่อยวางได้แล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาทนี่ก็เป็นเป็นทางอีกอีกขั้นงที่เราจะต้องผ่านให้ได้ทางร่างกายก็ต้องผ่านความแก่คามตายแม้แตความเจ็บปวดของร่างกาย แล้วก็ลาภปัญหาก็ต้องผ่านให้ได้เรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายก็มีการมาลาภเรื่องของความเจ็บปวดของร่างกายเรื่องของความตายของร่างกายถ้าเราผ่ายปัญหาเหล่านี้ไปได้แล้วเราก็หมดภาระเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไปปัญหาที่เกิดจากร่างกายจะไม่เป็นปัญหาสำหเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ขอเราเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีผู้อื่นจะเจ็บจะตายจะเป็นโรคภัยอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเร่างกายของเราเป็นจะเจ็บยังไงจะเป็นโรคภัยอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ได้เป็นอะไรใจเป็นตัวจับใจต้องเดือดวุ่นวายตัวเป็นตันมีชื่อเกิดนี่คือเรื่องของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วไม่ยอมไมไม่ถอยไม่กลัว หรือเผชิญหน้ากับความกลิ่นอันนี้ให้ได้เผชิญหน้ากับความตายให้ได้เจชิญหน้ากับความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้เผชิญหน้ากับความไม่สวยไมงามของร่างกายให้ได้เผชิญกับความเป็นปฏิกูลความถกประปุกของร่างกายให้ได้เราตปปฏิเสธสิ่งเห่านี้เราต้องศึกษามืนเพรามันเป็นอริยสัจมันเป็นทุกข์ ุกเกิดจากสงเหล่า น, นี้ทุกเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจากความความเป็นอสุภะความเป็นปฏิกูลของร่างกายเราไม่ยอมมองสิ่งเห่า น, นี้ไเรากลัวพอมันโผล่ขึ้นมาทีก็เหมือนเจอเสือใจสั่นไม่หมดเลยแต่ถ้าเราเกด ทำใจดีสู่เสือไว้ต่อไปเสือมันจะไม่กลั่นเราถ้าเราเลี่ยงหนี้เสือมันจะวิ่งตามตะกบเลยมันรู้ว่าดีล้วแต่ถ้าเราสู้มันนี้มันไม่กล้ามันไม่กล้าตะตบหรอกถ้าเราปเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายได้ต่อไปมันทําอะไรเรานี้ได้ถ้าเราปเผชิญกับอสุภะได้ไประเผชิญกับปฏิพุนได้ต่อไปมันจะไม่ทําอะไร กามาลักล้างจะเหยียดย่ำจิดใจของเราไม่ได้จะอยู่อย่างสบายอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เสียดเหงาว่างเปไม่อยากจะมีคู่ครองําคาญอยู่กับซาบสก็ไปอยู่กันน้องก็มีซาบสกของเราอยู่กับซาส น, น, นะแต่ยังต้องไปหาซากสบกันมามาอยู่ด้วยทำไมซากสกับซาบสก็อยู่ด้วยกันนะมองไม่เห็นกัน เห็นเป็นานางฟ้าเห็นเป็นเทวดาเห็นเป็นานางแบกยายแบบแบบเพราะไม่เห็นหักสุตรพระไม่เห็นปฏิคูนนี่ละคือธรรมะที่ที่พวกเราต้องเกิดฉันทะให้ได้ฉันทะที่อยากจะปฏิบัติอยากจะเจอกับสิ่งเหล่านี้ เสียกับความตายเจียจากความเจ็บปวดจากหามเกียจากสุภาษเจียจากปฏิกุลถ้าเรามีฐานะ้เราวันวันนึงไม่ต้องทำเะไรนะเท่งแต่สุภาษิตธรดูอาการสากิดต่อทุกนาวันอยู่เรื่อยๆทาที่แล้วให้การบ้านไปนี้มใครทาเรือังนี้ยแผ่น้แผนนี้สุภาษิตนี้มีใครดูกัหรือไม่ดูกันบ้างดูกันกือบ ดูกันพอพอเป็ปนพิธีเวลาถามได้่องต่อได้ต้องดูทุกวันเลยดูว่ามันติดตาติดใจไปเลยดูว่ามันจนกระทั่งกล่อยความเดือดในร่างกายไปเลยกินยาหมอให้ยาไปต้องถุงหนึ่งกินแค่เม็ดเดียวแล้วโรคมันจะหายเลยอกินยาต้อกินให้จนกระทั่งโรคมันหาย ไม่ก็ให้ยาไปก็กินให้มันหายเถดูว่าให้มันจะค่างวันหายยากไปเลย คือเราไม่ค่อยได้ทํากันเท่าไหร่ใจเราไม่มีอาจจะมีฉันทะแต่วิริยะมันน้อยจิตตะก็น้อยไมมังสาก็น้อยเพราะฉันทะมันน้อยมันมีฉันทะในเรื่องอื่นมากกว่าน้อยเด็กฉั น, านทาจะดูละครนี่มันกกว่อฉันทะจะกินขนมนี่มันมากกว่าเออไม่รู้ละที่จะมากก มาชันท้ากับทางธรรมะกันไม่รู้จะทำยังไงของเราเนี่ยพอพอได้อ่นานหนังสือทางมะเล่มเดียวมันติด เ, เ, เล ย, ยลเหมือนตาติดเด็ดเลยมันไ ป, น ป, นปนทาำธรรมะเลยมันไม่เอาอย่างอื่นเลย ได้หนังสือมาเล่มก็เขียนได้ของมาอ่านหลายหเล่มพอได้อ่านแล้วก็รู้ทางวิธีปฏิบัติจะเริ่มปฏิบัติเวลาออกจากงานไม่ไปเที่ยวขังตัวเองไว้อยู่ในบ้านเราแต่เดินเป็นกรมนั่งส ม, มาี่อ่านวิธีทำถือถิ่นถือถิถ่นไป ไม่ดูไน่ฟัไม่โดูหนังไม่คังเทลงไม่ออกไปเพื่อหาความสุขช่างตาหุ่นเต็ม่นเก่าอาจจะนั่งสมาธินะต ร, ง, รงคง อ, อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ออกเดือดแล้วก็ปฏิ บ, ออบัติบวชพอบวชกหาว่าปฏิบัติไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย วัดที่กรุงเทพได้เพียงนระมวดเดือนกุมภาพอต้นเดือนเมษาก็ไปอยู่ที่อุดรเนี่ยแล้วก็อยู่เหี้เก้าปีแปดปีฝ่าเกิดก้าปีเก้าพาไม่ได้ออกจากวัาออกจา ก, กักับมาเยี่ยมบ้านจนสองพันทั้งแรกจะห้าปีกั้วทั้งที่สองก็แปปี แล้วทางที่3ออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเลยแม้อยู่ก็ไม่ได้ไปไหนยอยู่ใจในวัดอย่างเดียววัดส่งเสริมทไดนอย่างเดียวแต่ดินจงคนนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมทุกสีห้าวันร่ารีประชุมอบรมธรรมสอนเรื่องการปฏิบัติในแค่เนีนเ้ย ชีวิตก็วนเวียนอยู่กเรื่องธรรมะตั้งแต่วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เกิดแ ข, ขแนขาแรกน้องเสียงธรรมะเรื่องแรกน้นเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมก็มุ่งไปทางการปฏิบัติใจเราคิดแต่เรื่องปฏิบัติเกิดเจ้าปรการปฏิบัติไม่ไดไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลย ถ้ามันทำอย่างนี้ผลมันก็้รายเกิดขึ้นได้อย่างรมดเลยไม่นานไม่เกินเจ็บปีอย่างที่พระเจ้าทรงพยากรณนไวยเจ็บปีนี่มันจะมากเกินไปใช่ได้ครังแต่ <c oughs> <c oughs> เวลาอ่านนี้เวลาอ่านที่ท่านบอกพยากรณ์นี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็ไม่สนใจสนใจอยู่ที่ว่าขอให้ทำแต่หนึ่งขอให้ทําได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่จะไม่ล้มพักต่อไม่ถอยนะกลัวอย่างเดียวกลัวเริ่มจะไปไม่ตลอดนอบทำงาแต่จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่สําคัญ ถ้าทำแล้วมันไม่หยุดมันต้องถึงแน่ๆมืมมาการรับประทานเนะีายถ้ารับประทานแล้วไม่หยุดรับประทานมันต้องอิแ่แน่ยาหยุดรับประทาน <c oughs> พราเราไม่ทราบรับประทานถ้ารับรยาพิษกันยาพิษมีรับประทานจะไม่หยุดไม่อย่อนใจยังมีแต่เศษที่เป็นพิษเป็นขออไข่ตลอดเวลา ก็คือโลกโกรธหรืออะไรแให้ให้ราหารกับใจก็คือให้ความให้ความโลกความโกรธความเหนื่อยกับใจเราใจขเราเอมักจะโลภจะโกรธตลอดเวลาก็าให้ทานให้ศีลให้ภาวนาโลคโกดธหรมันก็จะน้อยลงไปเบาลงไปแล้วก็หมดไปที่ ฉะนนก็ขอให้ขยานสร้างฐานะให้เกิดขึ้นทิดของคุณอาจารย์มาเปิดมาฟังของเก่าที่ท่านแสดไงไว้ก็มีประโยชน์เพราะสมัยนั้นท่านทุ่งเทกับการสั่งสอนจริงๆกับพระปฏิบัติจริงๆสมัยนี้ท่านจะพูดให้กับสรา ย, ยาดโยมทพื่อปั่ฟังก็จะไ ม, ไม่ไม่หนักไม่แรง ไม่พอที่จะกระตุ้นสันาให้ิดสันาที่จะปฏิบัติเอามาอ่านเมาเปิดนีเราก็ได้รับประโยชน์เวลาแปลเท่ของท่านแล้มันกจมันก็คึกขมลองขึ้นนะนั้นันก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้มันทําก่ามันแคเวลา ถึงแม้เราจะไม่จาเป็นจะต้องใชมันแต่เวลามีมันขึ้นมามันก็ทาให้จิดใจเรมันกระตุ้นกระป๋ามันกระเทือนขึ้นมาตาได้น้ำแต่ก็ไม่หลันะครับว่ามันไม่มีแล้วมันจะเ้าหมองมันจะเสืนกระเทือนะไรอยงเงียเ้มัป็นตว่ามันได้รับการกระตุ้นจากสภาวะอุเบกขาเฉยๆพออ่านธรรมะเล็กน้อยก็ระตุ้นถ้าเราเป็นวิหารธรรม พยายามท่าสันท่าให้ถึงเกณฑ์พยายามทํงทำให้เดาๆมากๆฟังทุกวันเลยล่ะน่าจะถึงเกณนหลักวันนึงก็จะฟังสักครั้งนี้ธรรมะของครูบาอาจารย์ทำแบบสลับกันไปเปลี่ยนนไปับประกันเน่นอนฝันท่าถึงขี่มาก่อนจะไปทำงา น, น ถึงช้าๆคืมานาั่งพาวงานาแล้วก็ฟังธรรมนี่ฟังธรรมแล้วว่าวนาต่ออะไรมันก็ ม, นมีมันเหมือนกับิดได้น้หมันแล้วคือคือให้ให้เกิดในศนลระวิริยะ ท, ที่จะทําที่จสัจิบาคธรรม ก็เลยพระก็รีดก็มีแสดงมาในแต่ละเวลาพ้าอะไรนีงท่านไม่สบายพอพระเจ้าไปทรงเยี่ยมก็ไปสรงแสดงทาให้ฟังครลุกขึ้นมาดอยอะไ ร, ะไรนั่งทำงานจิตจิตไม่ได้เป็นอะไรมาได้ทำมามันก็เลยกระตุ้นกระป๋องใช่ไหมมีปาได้เงา คือถ้าไม่มีธรรมะก็นอนสบาสบาไม่อยากรแต่พอมีธรรมะเลยแต่จิตงท่านคงไม่มีปัญหาขั้นพละอหตจิดงท่นก็ไม the ่ทุกข์ไม่ทรมานเลยหลแต่ท่านก็จะเฉยอยู่ในอเบขาใ่ปยวางปลยร่างกายมันเป็่อนประเทยอแม้จะเป็นอะไรก็เป็นไ แต่พอได้ยินได้ทมธรรมะได้พูดธรรมะนี่มันแจ้งจิตแจมันเหมือนกับมีไฟพุ่งมีมาถึงมันจะยกขึ้นมาเดินนึกนมาทนี่ทงนี่ได้การที่เห็นตาพูดกับ้่แต่เวลาอยู่เยอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมามันก็เฉ้ไปนมันก็มันก็ไม่เจ้ามันก็ไม่เป็นรมันก็มีความสุขของมัน ันไม่เหมือนกันมันไม่รอดถอยมันไม่มแต่สาหรับท่าหังนไม่เป็นปัญหามัจะฟังธรรมนี้ฟังธรรมมัไม่เป็นปัญหาบิดเป็นท่านไม่ไดเป็นอ อ, อย่างลูกพ้่เก้าตอนที่ใกล้จะปฏิบัติทางก็ยังมีปริบัชกมาขอฟังธรรม ข้ามาแล้วข้ามเลยข้ามันกลัวจะไปรบกลัวตายพระเจ้าเด็กจะได้มีปกรธรรมะให้เกิดขึ้นอยู่เวลาจะสอนคนเก็บนันก็ต้องคิดถึงธรรมะว่าเกิดธรรมะมันก็เกิดมาเกิดขึ้นมาเหมือนการมีชีวิตที่วาขึ้นมา งั้อย่าอย่ามองข้ามภาระพยายามพยายามถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยาการฟังเทศธรรมอยา ก, า, มม า, มากไปคิดว่าฟังมามากพอแล้วเยื่อแล้วฟังมันเถิดพยายามฟังเท่าไรเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยถ้าพยายามเติดขึ้นมาก่อนเวลา ท, ทักขึ้นวันคือเอาเวลาขึ้นว ง, ง, งนี้มาฟังธรรมันหละางครังก็ม า, ม า, มาทาี่แล้วค่อยออกไปทำภารกิจระอจาน ทำให้จิตใจมีสันมันก็มีอะไรรอเลียย้ยงจิตใจเรนะาในขณะที่เราออกไปทางานทําการเรามียธรรมะคอยเกือนใจเราอีกฟังได้มีประโยชน์ฟังเลยเถอะ ท, ทุกวันเลยก่อนจะออกจากบ้านเราก็ต้องรับประทานอาหารก่อนไม่ทําใจของเราก็ต้องรับประทานอาหารบางอย่าเราจะให้อาหารใจแต่เราไม่ให้อาหารใจเลยใจของเราก็เลย ถึงเจ้าปวดหดวราคาญใจราอแท้เบื่อหน่ายบางทีก็ไม่มีกำลังใจที่จะไปทา ง, งานทาการเปิดธรรมะตั้งหยู่ทุกวันเลยเช่นเดก่อนอะไรก็ล้างหน้าลัางตาเสงก็นั่งนั่งใน่าสมาธินี่นังนกงรดับตาเปิดธรรมะตางไปพอเสว่าเราก็พางนาต่อไป จนกว่าที่จะถึงเวลาที่เราไปทำภารกิจค่อยไปทำ น, นี่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องทำอย่างน้อยลแล้วละครั้งก็ยังดีถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ยังดีเอาเด็ดไปกับที่ทำ ง, งานก็ได้พอถึงเวลาพักกลางวันก็ทำอีกช่วงหนึ่งมันก็จะยิ่งมีไฟมีกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งร่า ง, งา แล้วก็รักษาใจของเราไม่ให้ว่าวิ่งผุ่นเนี่ยกาให้จของเรามีมีกาลังมีพลังที่จะต่อแฉกับปัญหาต่างๆแล้วก็จะมีปัญญาที่จะแก้กปัญหาได้อย่างถูกต้องสำคัญมากทํางนการได้อยู่ได้ความทำเป็นมงคลอย่างยิ่งการเรยนนัธมะตระหนักรูั้มันะ่การอนุตั้งมัน่น าาการได้ยินได้ฟังทั้งตามการตามเวลาเป็นมงกลมอย่างนี้แก่ชีวิตเนี่ยเราฟัฟก ง, างกันได้นอนเตงากินข้าวจิตเนาหาหน่ากับฟังเทศทางธรรนี้ืเปล่ามันได้อพอๆกันให้อาหารกายแล้วก็ทําะไให้อาหารใจด้วยนี่มีแต่ให้อาหารการให้อาหารกินเต เด ar <c oughs> um ี๋ยวว่เที่ยวให้เงีนยเดกดินียมีอาหารกินเหออาหารจานก็กินตามเวลาถ้าอาหารกินเหลือก็ไม่มีเวลาอยาเมื่อไหร่ก็เอาเ่านั้นเลยนเจลังาในใจของเราธัมมะมีกำลัน้อยเพราะเรม่อาหารอาจไม่ให้ัมมะจาน เราต้องมาปฏิว <único Liberty Overwatch throat> ัติการการดำเนินชีวิตของเราต้องเลี่ยนแปลต้องเอาธรรมะเข้าสู่ใจขอเราให้มากขึ้นเอาอาหารจีเรตให้น้อยลงในของเดือดของรับประทานที่ไม่จําเป็นนอกเวลารับระทานนอกเวลาเดือดก็อย่าไปเดือดเลถ้าหิวน้ำก็เดือดแต่น้เอย่าไปเดือดน้ําที่มีสีเลมากเกิ อยากจะรับประทานอะไรก็รอให้ถึงเวลารับประทานหาก่อนรับประทานทีเดียอย่างนี้ก็จะกลับเรื่องการเรื่องทีเลียวไปได้ง่ายนะครับเนต่อไปมีถนนขบเที่ยวในกับเาด้วในถุงในลิ้นชักที่ไหนจะเอาไปทิ้งหมดเลยรับประทานพร้อมๆครับเวลาให้อาหารสับร่างกายตอนทีเดียว นี่มันแต่ถ้าแเช้ามันี่แดดช้้นมันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ดิ่งอะไรเลยก็มีแก่น้าปากนี่ก็เหมนตา ย, ยไม่ดิ่งได้แล้วแบบนั้น ไปมากจังานี้ครั้งแรกเลยนี่่เคยมก่อนนีนะคานทุาไยะะว่คนเยอะคนมันเกิดนเกิดาานนั้นที่เราไม่ได้เจตนาคนอะไปถึงเป็นคนมากต้องไปนมนท่านก็จะหลอลูกองบูชาขาวหน้าเนี่ยค่ะเ ไปหลอที่ไหนที่ยังเริมคือวัดอโศกคะที่นที่จะหลอไปเลยวัดอโสกแล้วแต่คาหน้ามิวบูชาด้วยค่ะสถานที่หล่อคือวัดสุขุมเทียนะถานที่หล่อเป็นวัดสุบุมเทียแต่นิมนต์ท่านไปด้วยนก็ทางีสายด้วยท่านจะรับนิมนต์แต่นิมนต์ไปฉันท่านยังไม่รับ ช้าถ้าจะเป็นก็ต้องกั้งใจเหมือนต้องทำให้ดีเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนทําเสร็จแล้วไม่สวยไม่ดีก็เสียเวลาไปเปล่าถ้าทําเสร็จได้มันสวยมันเหนีนทองตีนมันก็มันก็ดีงั้บางท้องาอย่างไม่ควรเร่งร้อนควจะเน้นคุณภาพมากกว่า เวลาแต่จริงๆไม่ต้องไปรอเัยจะดีกว่าจริงๆนะไม่รอทำไมเอาิชาฉันก็ไม่เคยให้รอลูกของเขาเป็นเจ้าถ้าอยากปฏิบัติธันมเนี่ยจหรอนอกมันได้นะที่ท่านทำมันให้หรา เอาองค์ท่านในใจเราดีกว่าเอาท่านมาใส่ใจเราเอาคําสอนของท่านมาใส่ใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าเราทําท่านมาใส่ใจแล้วเราก็จะเห็นท่านมันจะกังวลอยู่ในใจเราตลอดคาสอนของท่านและถ้ามาถึงคําสอนแล้วก็จะเห็นภาพของท่านจปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจเรามีรูปหล่อแล้วถ้าใจไม่พิจิตรมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ในใจต้องไปดู เราอยากคิดถึงท่านก็ต้องไปหาลูกหลอท่านกันดูแต่ถ้ามีคําสอนให้ท่านอยู่ในใจแล้วไม่ต้องไปหาลูกหลอกมันอยู่ในใจท่านอยู่ในใจเราตลอดเวลาแม้ว่าใครก็ตามคำสอนของพ่อของแม่เราก็เหมือนกันถ้าเราคําสอนของพ่อแม่มาใส่ใจเรามันก็เหมือนกับมีพ่อแม่อยู่ในใจคอยกระซิบใครบอกเราตลอดเวลาคอยเตือนเราลูกทําอย่างนี้นะลูกทําอย่างนั้นลูกตื่นถึงเวลาตื่นแล้วนะ ถึงเวลาต้องไปโรงเรียนนั่นนะต้องไปทำงาน น, ะ น, นั่นพ่อพ่อแม่ก็กระติบอยู่ในการเอาลูกดอแผ่นี้ไปทำใจสัญงานมาทำของที่จะถูกกับกายก็ต้องเป็นานายมาทำม่อเท้ายกมะทำ เกิดล่ไปแล้วเกิดใครมาตัทีสักมัถ้าไปขายก็เท่าใจขึ้นมาเสียใจขึ้นมาพูดหวานใจขึ้นมาเกิดจีเละขึ้นมาวัตถุมันไม่เพียง ม, มีกอดมีดักเป็นธรรมดามีเจริมมญมีเสื่ยวเป็นธรรมดาแต่ทำนี้ไม่เสื่อมทำในใจไม่ไมีเสี่ยว เอาของที่ไม่เสียซอเอาของเสื่อมทำไมเอาของเสียทำไมเอาของดีเนี่ยของที่ไม่เสียไม่เสียแต่เราไปซื้อของอยังถามว่าเราเสียนีงง่มั้มันเสียทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็ยังขอให้มันเสียช้าหน่อยได้ไหมไม่ใช่ซื้อ ม, มาสองวันแล้วก็เสียแต่ทํารร้ะในการนี้มันไม่เสียมันจะอยู่ไปตลอดอยู่ครับเอาไปตลอด มีใครอยากจะรายงานะน <laughs> หมรื อ, องเร่ร้ อ, ร อ, น, อนจะมีแผนอะไก ใช่เหม ถ้าจิดใจเขาไม่ชอบมีความต่อต้านกับความไม่สวยงาตจนเกิดอาการขยะขยะเกิดอาการเจ็บขึ้นมาการผ่ามันไ่ด้เป็นกา่ไยมันเส็นการรกาการผ่ามันไม่ได้เป็นการฆ่าเลยมันเป็นการรักษาตายแล้วมันเป็นสมนีิ พูดถึงขึ้นฆ่าสีใอ๋อไม่ใช่โกกเลยพูดโกกโกกโกกอช่เราเราไม่ได้เป็นคนไปสั่งให้เข้าไปข้ามาไปเอามาถ้าถ้าเป็นของสดแล้วเราผ่าแล้วเขาตายเราก็แสดงว่าเราก็ฆ่าเขาต้องกลมบเป็นอะต้องกตกดีกว่าตกดีกว่า ตอนที่เราเรียนไปเราก็เคยเราก็เคยผ่ากบตอนนั้นเรียนที่ใไหนหนะอะไรเขาก็มีให้ให้เรให้เราผ่ามาดูระบบของภายในสังกัดแต่ส่วนหมูลูกหมูนี่เขาจะเป็นลูกหมูที่ตายแล้วเพราะเขเราเราต้องศึกษาเอาไว้ว่าส่วนต่างๆภายในเราก็ต้องผ่ามาดูแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องธรรมะ เ, เรื่องสิ่ ง, งเรื่องธรรมที่แต่เรื่องเรียน ถือว่าเป็นการเงินไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปคริปวันหนึ่งบาทเป็นบาทเป็นคำนี่อะไรคนบางคนก็ อ, อาจจะมีมีศิลธรรมมากก็ได้กา็อาจจะทําได้ลงหรือมันอาจจะเป็นความความหังเกลียดยยยหรือความขยันขยันนี่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมก็ได้ แตถ้าถามว่าถ้าผ่ากบแล้วกบตายนี่ยเป็นการฆ่าหรือเปล่ามันก็เป็นการฆ่าก็เหมือนกันเราไปซื้อไปที่ปลาสดๆในตู้ที่รานอาหาเนี่ยบอกจะเอาปลาตัวนี้มารับประทานเนี่ยมันก็เหมือนกันเดียวกัน แ, แต่เราผ่าผ่ากบเ พ, พาาเพื่อที่จะศึกษาส่วนปลานี้เราเพื่อที่จะรับประทานแต่ก็เป็นการฆ่าสัตว์เหมือนกันเจแนาต่ารกัน กาไม่ต่างกันกนะ็เกนะตุตการณ์ก็ต้องการจะ่ขาของต้องการเอาชีวิตเขามบังคับท<า>ี่ทำบังคับไม่บังคับเราก็ยังบาปอยู่นั่นแหละแต่บาปคนบาปไม่ <c oughs> ไม่เท่ากันใช่ไหมคะคนบาปจะเท่ากันไหมไม่น่าจะเท่ากันมาถึงทําด้วยความยินดีกับทําด้วยความจําใจนะี <c oughs> ่คก็คงจะไม่เท่ากันมาถงทำียนค่ะน ก็ข <rí> e> ้ามไปเลยเนัดนต์อาจารยาอาจารย์เี่ยเรืสองทางนะคะไปถึงเาสิแช่ในเชสเตอร์ือจับยนต์ในน้ำเดือดเลยโอ้โหวิกาอะไรวิชาอะไรเรื่องน้ำเดือดสไตายอะไวะโอ้ตายแล้ว แต่ความรู้สึกกายร้อนแล้วกายอย็นนี่แต่ความรู้สึกตอนนั้นกับความรู้สึกตอนนี้ที่เราเข้ามาศึกษาธรรมมาแล้วจะเกิดให้การที่เน้นความรู้สึกแตกต่างกันเลยหะแตกต่นงกันมากปัจจสมารที่อยู่ในใจที่เราทํำฝุกมาเนี่ทีนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้เพราะว่าตอนเด็กๆเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลย เพื่อนมาให้เพื่อนทานฮ่าฮ่าค่า่าเงี้ลยไม่ไหวไม่ไหวขะสมค่ะ สองคนอ่านเราชอบมากท่านเป็นคนสอนสอนนักเรียนสอนผู้ปฏิบัติโดยใช้วิธีปริศนาธรรมทั้งหมดแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ไปทำตอนนี้ยุนยาดาบอกว่าอุ้เดี๋ยวลูกอยากเอามาถวายได้หรืท่านอาจารย์แบบตรอบะทรงแบบตรอปังมีกันบ้านไปเขียนไม่หรอเราพี่เนการบ้านดีมากน่ารักน่ารักป้าปกลกบิดกันหมดเลย ลูกไม่ไห ว, หวแล้วก็ลูกค่าคุณยานาคุณยนาณยนาบอกอยากถวายท่านมาฝากท่านน่ารักมากเลยค่ ะ, ะ, ะแล้วก็อ่านอัง น, นี้แล้วก็เห็นเลยว่าพราะเจ้าอยู่วงปฏิบัติธรรมสูงมากมท่านพรท่านได้คุยสิ่งที่ท่านพูด ก, กับผมว่าเกสียงเป็นคาซึ่งลึกซึ้งมากลูกก็ไม่เคยนึกว่าท่านคือทราบว่าท่านปฏิบัติธรรมแต่ไม่ไม่เคยนึกว่าท่านคําถามที่ท่านถามลึกซึ้งมาก ไปก็ไปเพื่อธรรมะนะขันหลักไคุณด้วยความธรรมปทางาคปีล้วไม่มีเบื่อเลยนะแต่ จะรู้ว่ายังสอบตกเราฟังเรื่องการเมืองตอนนี้ก็ตกมากุปเรียนแล้วไม่ชอบทาการบ้านเอบเข้าห้องเรียนแต่ไม่ชอบทาการบ้านก็ยังเรียนยังเข้าห้องเรียนอยูมีหลายขั้นตัวเตี้ยนห้เรียนชอบใหเรียนก็ ก็ยากยากกับพวกที่เข้าห้องเรียนแต่พวกที่เข้าห้งเรียนก็ยากกับพวกที่ทําการด้านด้วยแล้วพวกที่ทําการบ้านก็ยากกับพวกที่ไปสอบเนี่ยแคมีหลายท่านเข้ห้องเรียนแล้วต้องทําการบ้านทําการด้านแล้วก็ต้องไปสอบไปสอบก็ถือไปเลยไปหาที่วัดที่ไหนที่ป่าวทีเปลี่ยวที่ทุลักันดางที่ลําบาก ไปเก็บตัวสักสามเดือนตีหนึ่งเลยเนี่ยไปไปเข้าห้องสอบถ้ายังไม่ผ่านก็ยังไม่ออกมาจากห้องสอบ <c oughs> ส่วนทางการบ้านก็คือวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรก็กลับไปทำที่บ้านได้ก็ทำไปเี่นตอนเช้าทุกวันยาฟังเทศทำทันก่อนจะ ท, ท, <c oughs> ทางานทาการทนทุกวัน <c oughs> นี่ก็เป็นการบ้าน <c oughs> หลับเร็แล้วก็ให้แผ่นอุปถาไปดูตอนเช้เ า, าก็เครียดตอนทํางกลางนอนก็เปิดแผ่นอุปถาดูนอนก็ไปดูมันก็เครียดสิเราไม่ดูเราไม่เครียดอ่ะเราไม่รู้เรื่องมันเลยไม่สนใจไม่สนใจทำไมสนใจแล้ว ไ, ไปดูแล้วมันได้อะไรก็แด้แต่ความเครียดเท่านั้น ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรครับเขาก็ยังเย่วเยียวของเขาอยู่เาปล่อยเขายี่เขาไปบอกว่าห้สมาที่เได้เอาข่อนไขยายเสียงส่องแงบ้านบอกว่าลมีกรรมสองแงาตรงบ้านโอเคดแต่ตรงนี้ไม่ค่อยโกรธวันนั้นโกรธหลุดเพราะว่าว่าว่าท่านอาจารย์โกรมากา ในโลกนี้มันก็มีมินท่าสังเสริมเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้ามันก็สอนว่าใครเวลาใครมินท่าใครทํานี้พระพุทธเจ้าเราก็อย่าไปโกรธแทนโกรธเคืองแทนท่านท่านไม่ได้โกรธท่านไม่ได้วันไหวเราจะเสียหายเราเป็นคนเสียเองถ้าเราเราไปโกรธเองเราต้องปล่อยวาง ทายว่าเนี่ยในนักส็บราการเนี่ยเมื่อาเราตลอดเวลาเนี่ยเนื่องจาเราไม่ไปสนใจเขาก็ปล่อยเมดานี่ยเขาพยายามไล่เรายรู้สึกวะนิดนึงรูปแรกมอว่าเอ๊ะท่านแขนจะดีแล้วไม่เคยพูดกับใครเลยยัง่ากันได้ ได้ทั้งนั้นแหละในโลกนี้คนจะเข้าว่าหรืว่าได้ทุกคนแต่ที่สาคัญอ่ะสำคัญอยู่ที่ว่ามันจริงไม่จริงถ้าสิ่งที่เข้าว่าจริงก็ควรจะขอบคุณเขาเพื่อเราจะได้มาแก้ไขเพราะบางทีเราก็ไม่อาจจะมองไม่เห็นส่วนที่บกพร่ อ, องของเราเหมือนกับเขาเป็นกระจกเงาให้เราดูหน้าตาเรา กอนเราจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องดูกระจกก่อนครับว่าเรียบร้อยหรืาสะอาดเรียบร้อยหรืถ้ามันมีกระจกมันคืที่ตายังติดอยู่ที่มุงยังติดอยู่ที่ปายจมูกแต่เขาบอกว่าเนี่ยมีที่มุ้งมีที่ตาอยู่เนะมันไปโกรธเขาทาไมถ้ามันเป็นความจริงเราต้องขอบใจเขาถ้ามันไม่เป็นความจริงล้วก็บอกว่าเขาหูหนกตามาบอย <c oughs> พูดใจแบบไมไม่ไม่ไม่เห็น <c oughs> การเก่งก็ปล่อยเราพูดไปเราไปห้ามเอาไม่ได้เราอยู่ในเลือดของนินทาสารเสพย์มีนินทาย่อมมีสารเสพย์มีสารเสพย์ย่อมมีนินทาเป็นธรรมดามีเจริญราบย่อมมีเสื่อมเ ส, สื่อมราบเป็นธรรมดามีเจริญยศย่อมมีเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสุขย่อมมีทุกข์เป็นธรรมด า, าง้กระทำแปลก เราต้องรู้ ETH ทันโลกระทันใจถ้ารู้ทันเราก็จะปล่อยวางเวลาชมก็ไม่ดีใจเวลาทาหนี้ก็ไม่เสียใจเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียก็ไม่เสียใจเวลาสุขก็ไม่ดีใจเวลาทุกข์ก็ไม่เสียใจเพราะเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเวลาร้อนก็ไม่ดีก็ไม่หดือร้อนเวลาหนาวก็ไม่เดือดร้อนอยู่ประมาณไปทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นธรรมดาถ้าไม่รู้ก็จะหลงถ้าชอบไปไหนก็จะดีใจพอไม่ชอบอปไหนก็จะเสียใจนี่เราไปบังคับได้ไหมเนี่ยลมพัดเราไปบังคับเสียงตะ ก, ก, ก, ก, ก, ก, กั่ได้ไหมจ้ะเขาก็เป็นปลายทางเหตุการณ์ปัจจัยของเขาคนที่ดา่าเราเขาก็เป็นเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาดา่าเราคนที่ชมเราก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้เขาชมเรา ก็เท่าไงชมแล้วก็ผ่านไปดาแล้วก็ผ่านไปนันก็เป็นเสียงเหมือนกันไม่มีปัญหาหล่ะถ้าฟังด้วยธรรมฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยปัญญามันก็เป็นไปลักอะไรน้นมีเกิดนีดับเสียงนี้เดี๋ยวก็ดับรวมภาพเดี๋ยวก็หยุดพักไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปตลอด ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราอยู่ในโลกที่เราควบคุมไม่ได้ธนรมชาติไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรามีสิ่งเดียวที่ควบคุมได้เราจะไม่ควบคุมก็คือใจของเราอารมณ์ของเราเนี่เราควบคุมได้ระงับมันได้ระงับความโกรธได้ระงับความโลภได้ระงับความหลงได้ด้วยทานด้วยกีนด้วยภาวนา ถ้าเรามีทางในสิ่งมีภาวนาแล้วเราจะรักษาใจของเราให้เป็นปกติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใจของเราจะเป็นอุเบกขาจะสบายอยตลอดเวลาจะชั่งมันได้ตลอดเวละชั่งมันชั่งมันอะไรจะเกิดก็เกิดชั่งมันชั่งมันเราไม่ได้เดือดร้อน <c oughs> ใจไม่เดือดร้อน คือการปฏิบัติเพื่อมาควบคุมใจเราไม่ให้ไปควบคุมอย่างอื่นสิ่งอื่นสิ่งอื่นนี่เราควบคุมไม่ได้เขามีเกิดมีดับตามปัจจัยของเขาเวลาเราไม่อยากให้เขาเกิดเขาเกิดแล้วก็เดือดร้อนเวลาเราไม่อยากให้เขาดับเขาดับแล้วก็เดือดร้อนแต่ถ้าเวลาเขาเกิดเราปล่อยให้เขาเกิดมันก็เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาดับเราปล่อยให้เขาดับเราก็ไม่เดือดร้อน ที่ปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะมาควบคุมใจของเรารักษาใจของเราให้เป็นปกติไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงไม่ให้แกว่งไปเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปทางโลบแล้วก็แกว่งมาทางโกรธถ้ามันโลบถ้ามันรักมากมันก็จะโกรธมากถ้ารักน้อยก็จะโกรธน้อย สังเกตดคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะโกรธมากที่สุดคนที่เรารักมากเนี่ยเราจะโกรธมากคนที่ห่างไกลจากเราเราไม่รักเราจะไม่ค่อยโกรธเขาเราจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไรเราไม่ค่อยจะรู้สึกไดมันุษย์ตุ้มนาฬิกถ้าแกว่งไปทางหนึ่งมากมันก็จะแกว่งกลับมาอีกทางมากถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ไม่มันก็ไม่มกว่มันก็จะเฉย ถ้าไม่โลกไม่โกรธมันก็จะเฉยเฉยเสียงก็หยุดนะเราไม่ต้องไปทำอะไรก็เด <It> ี <or> ๋ยวถึงเวลาเขาก็หยุดเเวทนาก็แบบเดียวกันมันจะเจ็บยังไงเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็หยุดมันเป็นคํามสำคัญขอให้เราทาใจให้หนึ่งๆอยาไป นี้เธอแล้วจะมีความสุขไม่สําคัญว่าจะมีมากหรือน้อยไม่สําคัญใจ ไ, ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้มีความสุขได้สิ่งที่เราต้องมีก็เพื่อร่างกายเราเท่านั้นแหละหรืนหรือเพื่อกิเลสเราของเนี้ยถ้าเรามีเพื่อกิเลสเราแล้วเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายมากขึ้นถ้ามีเพื่อร่างกายมันก็มัน ก, มนก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่จะเปมีเพื่อกิเลสเวลาอยากได้อะไรที่เราไม่มีความจำเป็นต้องมีนี่ <Yeah. S 1> เรียกว่าเป็นกิเลสมีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วยังอยากจะได้เสื้อผ้าเสื้ใหม่มีรองเท้าอยู่เต็มตู้แล้วยังอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่อย่างนี้เป็นการเป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นการเลี้ยงกิเลสให้มาเหยียบย่ำทาลายจิตใจของเราให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากขึ้นไป สิ่งเอลานี้ต่างที่เราจะต้องมาแก้ไขไม่ใช่ไปแก้ไขเรื่องของคนอื่นแก้ไขเรื่องของเราดีกว่าได้ประโยชน์กว่าโดยแก้คนอื่นไปทำไมไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรจากการไปแก้คนอือง น, นอกจากเขามาขอร้องให้เราช่วยแก้เช่นลูกศิษย์ลูกหาไปหาครูบาอาจารย์เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาให้ครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างนี้ก็เป็นการ เป็นการทำบุญให้ทานให้วิทยาทานให้ธรรมทานแต่ถ้าเขาไม่มาขอร้องอย่าไปอย่าไปยุ่งนะครับถ้าใครก็ไม่มาขอร้องให้ไปช่วยแก้ปัญหาเขาไม่ต้องไปเสนอตัว <c oughs> <c oughs> อยู่ของเราไปเถอะแก้ปัญหาของเราปัญหาของเรายังมีอยู่มากมายแก้ปัญหาของเราแล้วเราได้กําไร แต่ถ้าได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราทั้งหมดด้แก้ให้กับคนอื่นก็เราก็ไม่ได้อะไรจากการไปแก้ปัญหาได้อย่างมากก็คือความพอใจความสุขใจที่ว่าเออเราได้ช่วยเหลือเขาแล้วพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มา รักษาใจมาแก้ใจมาควบคุมใจมาบังคับใจของเราให้อยู่อย่างสงบให้อยู่เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่ที่การระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลง หรือความอยากต่างๆนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบพอใจไม่สงบมันก็ยิ่งโลภยิ่งอยากมากขึ้นไปพอใจสงบความโลภความอยากมันก็จะหายไปปัญหาของเราก็อยู่ที่ความไม่สุดที่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเกิดจากความโกรธเกิดจากความหลงเราต้องใช้ธรรมะ คือฐานศีลภาวนานี่มาเป็นเครื่องมือแต่ศัตรูของเราก็คือกิเลสตัณหานี้ความโลภความอยากความเกลวความหลงอาวุธครือเครื่องมือของเราก็คือฐานศีลภาวนาฉ <c oughs> ันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่ก็เป็นเครื่องมือสติก็เป็นเครื่องมือ สัทธา <c oughs> วิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เป็นเครื่องมือหรือมาร์กแปดนี่ก็เป็นเครื่องมือเห็นอ่นเครื่องมือเราใช้ชื่อต่างกันไปเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือใช้ดเดียวกัน <c oughs> มีไว้เพื่อที่จะมารักษาใจของเราให้อยู่อย่างปกติสุขปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรกิดขึ้นมาสมกลุ่มเกิดเวลาเมื่องไงฮะจะให้พ่อนะอย <c oughs> ากาวาวิวาหาปุราปุริปุเรนติสากรวัง เปว่ยวเมวะอิโตคินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมังเกิดเมวะสังฆาตุสัพเทโพเลนตุสังกะปาจันททตนะระโยธาเมนิโตติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพารโคณัตตุ มาเตาพาวตันตระยาโยสุภีทีขางโยโกภวะอาพิวาธนรรสีวสสะสิกังวสธาปจามิโนยัตารโรธรรมวัทฐนติอายุวนันโนสุขานิชาัางแต่นี้ยังเหลืออยู่นะคะนี่นการแจกไป้ปากให้ก็ได้ ท่นนอาจารอ์ท่านอาจารย์นั้นไม่ได้ถามไม่ถาตองให้ถูกค่ะทูกสาวถามว่าถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยากจนและลําบากอะไรเงี้ยค่ะเกิดปจากเลี้ยงของคนเจ็ดทีรวยๆกินนั่งกินนอนกินอะไรเงี้ยสะดวกสบายเกิดเป็นอันไหนดีกว่าเขาชอบอะไรนะมาแล้วใส่เขาลูกมาบอกเกิดเป็นมนุษย์สิก็ต้องมีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็แต่มันลำบากเขาก็อ่านข่าวแบบยากจนแล้วยังโดนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยเขบอกถ้าเป็นจัดเลี้ยงแบบที่คนเลี้ยงดีๆอะไรเงี้ยมันน่าจะสบายกว่าเก็ไปทําไมเป็นเลือกสองอย่างที่ไม่ดีอย่างให้มาเกิดแบบเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่างไม่ได้ทำเขาเรื่องสองอย่างให้พอไม่ดีเรืงสองอย่างอย่าไปเกิดกันนั่นเลย หวานมาเกิดเป็นลูกแม่อย่างเงี้ยดีกว so ่าอตอไม่ไงคมต่ก็ตอว่าเอ้ยก็เป็นมนุษย์มีหวานี่มันก็ดีวาอยู่แล้วเผื่อหน่อยจะได้เจอพสนามเกิดมาเป็นลูกแม่เนี่ยดีแล้วได้ได้ทบุญได้ฟังเทศน์งทางได้ปฏิบัติไม่ดีอไหวดเลยเอาองอันก็ตอบอันเดีขอให้ลูกมันทาบุญทำทานรักษาศีลไว แล้วมีความกระตันอยู่่อนแล้วลูกก็จะได้กลับมาเกิดอย่างนี้ไปได้เรื่องเป็นเรื่องของไม่ดีใช่ไหมเราเลือกได้นะอนาพจนเราเลือกได้คือภบชาติของเราภายหน้าเราเลือกได้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในกํามือของเราแต่ภบชาตินี้มันเลือกไม่ได้เพราะมันเกิดจากผลที่เราทํามาในอดีต แต่้าหน้าเราเลือกได้จะเป็นชาติอาหารก็ได้เป็นท่าโสดาก็ได้จะเป็นขอทานก็ได้จะเป็นหมาก็ได้เราเลือกได้คือก็ไเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ย<ม>เขาต้องสร้างเหตุปจัจจให้เกิดให้เกิดเป็นพบนั่งขึ้นมามต้ อ, ต, อต้องสองอันมันไม่ดีทั้งสองอันสร้างสิ่งไม่ดีทั้งสู้เพรากรรมเป็นเครื่องจา แ, แนกยแยกตัดไ<ต>ม่ต้อบอกจำการกระทำของเราในชาตินี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราเป็นอะไรในชาติเนี่ ก็ไม่ได้เทพนตอนต้นนะาอกอย่างน้อยก็ให้มีทานมีศีลเป็นหลักมันมันจะได้เป็นเทพเป็นเป็นมนุษย์แต่ถ้าไปข่าสัตว์ตัดชีวิตไปยุ่งเกี่ยวกับอาบายมุมันก็จะไปทางอาบายประเทศไทยกำลังหุ่นวานแบบนี้กำลัาก <c oughs> <c oughs> มันเป็นปกติของโลกไม่ว่าประเทศไหนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดูข่าวแต่ประเทศก็เป็นทุกๆทั้งแข่งทเ้งโลกมันมีมนุษย์อยู่ที่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นรู้สึกท่าอาจารย์เคยเทศครั้งหนึ่งว่าที่เกิดไปเป็นหมาแล้วอยู่บ้านเศรษฐีเนี่ยเป็นเพราะทำทานเยอะแต่ทำผิดศีลทำผิดศีลแล้วมัเกิดเป็นสันแต่ด้องผลทานเนี่ยก็เลยไปเกิดเป็นลูกเศรษฐี เป็นยุเป็นสัดเลี้ยงในบ้านเศรษฐีนะเพจากเพูดอ่นไม่คนละกรณีนะพี่พูดนี้พูดถึงเศรษฐีที่ตายไปแล้วกลับมากลายเป็นสุนัขหรอ่ใช่จำไหมทางนั้นก็สอนอะไรมันก็จะพูดได้แต่ว่ามีให้ทานมากแล้วก็เกิดมาก็อยู่ในมีพวกกระับก็อยู่อยู่กินสบายแต่ว่าความที่ปิดศีลเนี่ยก็ต้องเกิดเป็นสัตว์อย่างเงี้ย ถ้าไม่รักษาศีลก็ไปเกิดเป็นสัตว์แต่ถ้าทําบุญทําทานม า, มากก็จะไปเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเศรษฐีมีคนร่ารวยเปยงเลี้ย ง, ยงมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอืเพราะ อ, อํานาจของทานทานนี้จะทําให้เรามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทันสมัยแต่ศีลนี้จะเป็นผู้ที่ชี้ว่าเราจะไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเดรัจฉานนนี้ได้บอกว่าคนที่เกิดมายากไร้เป็นมนุษย์นะฮะแต่เกิดยากไร้ในกรณีหนึ่งเนี่ยเป็ น, น, นเพราะเหตุ เป็นเพราะว่าชาติก่อนเขาเขาเข า, เขาไม่ทําทานไม่ทําทานแล้วแล้วแล้วถ้าเขาสูญว่าถ้าเขาทําบาปด้วยเขาก็ต้องไปใช้กรรมในอบายเพราะหมดกรรมเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากเลยมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอาการไม่ครบสามสิบสองเพราะมันเป็นเชื้อของกรรมที่ยังหลงติดมาสติดส่วนพวกที่ทําบุญให้ทานรักษาศีลตายไปแล้วใไปเป็นเทพนี้ พอากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีฐานะการเงินการทองที่ดีใจบุญสินทานมันจะมีสองพวกเนี่ยเขาเรียกพวกบุญพวกที่วนอยู่รอบวนกับพวกที่วนอยู่รอบล่างพวกวนอยู่ที่รอบล่างก็พวกชอบทาสัตสว์แต่ชีวิตผิดสิงไม่ชอบทําิ่งตายไปก็จะไปเกิดในาบายพอพอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ต่ําต้อย แต่คนที่ชอบทําบุญานาคสังขตายไปก็ไปสวรรค์พอกลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นพวกที่สูงส่งเป็นพวกที่มีฐานะการเงินการทองมีรูปหน้าตาที่สวยงามเราเราเราเลือกที่จะ <c oughs> วนอยู่ในรอบรอบวนก็ได้รอบล่างก็ได้ถ้าเราชอบรอบล่างเราก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปกินเล้ามองยาไปเทีย่ยวไปยุ่งกับอาบายามุก ต, ต่าง มันก็จะวนอยู่กับรอบล่างแต่บางที่มันสลับกันไงเวลาเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เด็ดได้ดีก็ไมย่ยังไม่เชื่อบุญเชื่อกรรม ก, ก็ก็ใช้ชีวิตที่ดีนี่มากับเกี่ยวข้องกับอบา ย, ยมุกขอะไปทําผิดผิมันก็จะวนกลับไปวนรอบล่างก็ได้ส่วนพวกที่วนอยู่รอบล่างหัว ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเชื่อว่าเ อ, อ ว่ามีกรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงก็เลิกทําเกี่ยวกับเรื่องอาบายมุขเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทําผิดศีลผิดธรรมมาทําบุญให้ท้านลสาภสิงเขาก็จะเปลี่ยนรอบจากจากรอบต่ำก็ขึ้นไปอยู่รอบสูงนั้นมันก็สลับไปสลับมานแล้วแต่ควอยกันไปควายกันมาบางคนก็มีจิตใจแน่ว แ, แต่บุญกุศลก็จะวนอยู่แต่รอบบนแล้วในที่สุดก็จะไปพ่านิพพานอย่พระพุทธเจ้าอย่างพระพ พร ะ, ะโพธิสัตว์ทั้งหลายนีย่เขาก็จะวนอยู่ทรงนี้เขาไม่เอาละตรงนี้เขาเชื่อบุญเชื่อกรรมแต่มาทุก์พวกทุกชาตก็จะเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมตลอดเวล า, ลาแล้วพวงนี้ลารับรองได้ก็จะเป็นจะหมุนไปทางมรรคผลนิพพานแต่พวกที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเกิดมาแล้วแต่มาเจอที่ไหนล้วแต่ว่าเจอใครสอ น, นเจอคนสอนให้ไปทำบาปก็เชื่อไปทาบาต พอมาเกิดทางเน่ามาเจอคนสอนให้ไปทําบุญก็ไปทําบุญมันก็จะขับไปขับมาขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่เรื่องม่นมีข้อเรียนศึกษาแพทหรือว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้องมีการค้าศาสตร์มีช่วงที่กาลังทำเรื่องศึกษาเลยอืทีนี้เขาไม่ปีเกิดในอมาทมก็ไปแหละถ้าไปแต่เขาก็ามัอาจจะมีอย่างอื่นด้วยมั้งเขาอาจจะทําบุญทําประโยชน์ มันก็มันก็ไปแหละไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มันมันมีทั้งบุญมีทั้งบาปปนลงไปเราก็บางทีมันก็ต้องรับทั้งบุญทั้งบาปแล้วเกิดอย่างพอดีมีคุยกับหลอกคนนึงนะคะเขาบอกว่าคือตอนที่เขาเรียนมีปีเขาไม่ได้จากค่าแต่ว่าคือเขาก็ว่างทาไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นคือเขากับมาแต่เขาพยายามคือทําบุญให้กับหลอกส่วนผ ส, สให้กับพวกนั้นตลอด มันคนละเรื่องกันทำบาปก็เรื่องการทำบาตทำบุญก็เรื่องทำบุญทำบาปก็มีผลของการทำบาตทำบุญก็มีเรื่องมีผลของการทำบุญผลของแต่ละอันนี้ไม่มาลบล้างกันก็อย่างที่บอกว่าถ้าทำบุญก็แต่ทำบาปด้วยก็ไปเกิดเป็นสุนัขที่รูปร่างหน้าตาสวยงามมีคนเอาไปเลี้ยงดูอย่างดี แต่ถ้าทําบาปแล้วไม่ทําบุญนี่ก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขที่เลียนมาสายตามวัดอยู่ไม่มีการไปเลียงดูเข้าใจนะแล้วบาปมันก็อยู่ที่ว่าทํามากทําน้อยด้วยทำมาโอกาสที่มันจะเกิดเป็นมันก็มากทําทน้อยโอกาสที่จะเกิดมันก็น้อยเวลาที่เราตายนี่เหมือนกันเราไป จับฉลาดในกล่องในฉลากนี้ในกล่องนี้จะมีฉลาดบุญฉลาดบาปที่เราทําไว้ทุกครั้งที่เราทําบาปเราก็เขียนฉลากบาปไว้ใบหนึ่งทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็เขียนฉลาดบุญใส่ไปในกล่องไว้ใบหนึ่งเวลาเราตายแล้วก็ไปเอามือควนแล้วก็หยิบฉลาดมาใบเสร็จแล้วว่ามันจะบอกว่าไปทางบุญและไปทางบาปหรือว่าเราทําบาปใบเดียวแล้วในกล่องไม่มีบุญทั้งหมดเนี้ย หยิบไปหยิบไปโอกาสมันจะได้ใบบาบามันมันแทบจะไม่มีถึงไม่จะทําบาบมาเพียงครั้งเดียวแต่ทําบุญมาร้อยครั้งอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไปใช้กรรมไปของบาปนี่มันน้อยกว่าโอกาสที่จะไปรับผลของบุญเข้าใจไหมไอไ อ, ไอกรรมที่จะส่งให้เราไปเกิดเนี้ยมัน <c oughs> มันเราต้องจับในกล่อง น, นี้เวลาเราตายไปเนี้ยสมมติ ถ, ถ้าเราทําบาบไว้สิบอันเราทําบุญไว้ร้อยอันอย่างเงี้ยมันก็หนึ่งต่อสิบ โอกาสที่จะจับใบบุญนี่มันมากกว่าโอกาสที่จะไปจับใบบาตแต่ก็ไม่แน่ถ้ามันเป็นเป็นข่าวซวยของเรามีใบเดียวก็ก็ไม่เป็นไรก็ใช้กรรมมันไปต่อไปก็มีตะบุญอย่างเดียวที่เราจะจับนะยะพยายามเพิ่มใบบุญด้วยเพิ่มพอปรายที่เอนกับใบบุญก็อย่างพระองคลีมาน่ยองคคลีมานก็ฆ่าคนมาตั้งก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าศน ก็ยังสร้างใบบุญมากเือนกระทั่งสามารถที่จะกีดกันได้ใบบาบไม่ให้ต้องไปเกิดได้เพราะท่านได้ใบนิพพานเนี่ยใบนิพพานนี่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยจับไปที่ไรก็จะเจอแต่ใบนิพพานอย่างเดียวอมันกันไม่ให้ไปจับใบใบใบบาบไปไอพวกกบทั้งหลายไม่มีปัญหาแล้ะพระโสดาบันนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปเกิดในใบแล้วเหยิยบยังไงก็จะเจอแต่ใบของมนุษย์เท่านั้นะ พอใบของใบบาปนี่มันจะถูกจีดไว้ไปอีกมุมหนึงเลยหยิบไม่หยิบไม่ถึงลนะนี่พูดตัวอย่างให้ฟังอันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าต้องฆ่าบางเพื่อการศึกษาก็ทําได้เถอะแต่ถ้าไม่ฆ่าได้ก็ ก, ก็ดีถ้ารู้ว่าจะต้องฆ่าแล้วจะต้องเรียนวิชาก็อยากไปเรียนหนะังเพราเปลี่ยนวิชาใหม่กันแล้วกันถ้าอยากจะเรียนก็ต้องก็ต้องยอมเสี่ยงกัน เวลาไปเวลาตายต้องไปจับใบก็มัน <c oughs> <c oughs> จับใบําใบแดงเนี่ยคป็นทหารก็ต้องเสี่ยงกันใช่ไหมเป็นท<ม>หารก็บางคนก็ยอมเสี่ยงเข้าเข้า <c oughs> ใจไหมเรื่องบาปเรื่องบุญก็เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำแต่บาปอย่างเดียวเราไม่ได้ทำแต่บุญอย่างเดียววันวันอย่างนี้เราทํากันหลายอย่างสลับกันไปทุกครั้งเราทําอย่างหนึ่งใส่เข้าไปในกระปุกใส่ในบในกล่อง ทำบาปก็ใส่ก็มันนี้พูดปลดก็ใส่ไปบหนึงวันนี้ไปดื่มสุราก็ใส่ใบหนึงวันนี้มาทําบุญก็ใส่ไปบหนมันก็ใส่ไปไเรื่อยๆเอาถึงเวลาตายเขาก็ให้จับสลากเข้าใจนะเรื่องบาปเรื่องบุญจบ <c oughs> <c oughs>